ปัญญาและความโชคดีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงบ่ายของฤดูรอ mm hmm. ้อนเทวดาแห่งปัญญานำ ว, วิสกำลังนั่งอยู่ในสวนสาธารณะ mm hmm. เขากำลังอ่านหนังสือแห่งความรู้ทันใดนั้นนางฟ้าแห่งความโชคดีนงางวัะกี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเขาห mm hmm. วัดดีเพื่อนเป็นยังไงบ้างกำลังเติมเต็มความรู้และปัญญาให้มากขึ้นนะ เธอรู้จักความรู้ไหมว้าวฟังดูวน่าเบื่อดีจริงเลยนะโอ้สิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคงเป็นการที่คนคนหนึ่งต้องการให้ความบันเทิงแก่อีกคนในจักรวาลของเวลาและอวกาศโอเคฉันขอหยุดนายก่อนจะไปไกลกว่า น, นี้มีการมอบหมายมันแล้วเจ้านายต้องการให้พวกเราไปรับช่วงต่อมอบหมายงั้นเหรอใช่รีบ ไ, ไปกันฉันจะอธิบายให้ในายฟังระหว่างทางเองนะวิสพยักหน้าและกีดิดหนีว และทันใดนั้นทั้งสองก็หายตัวไปว้าวที่นี่ดูเค็งจริงเลยใช่มันดูคล่องแคล่วดีนะดูอะไรนะเธอไม่เห็นเหรอ อ, อไม่เป็นไรไม่เข้าใจทุกอย่างที่ฉันบอกระหว่างทางใช่ไหมล่ะเข้าใจเจ้าหญิงเซลินา่าไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่เมื่อสมปีก่อนและพวกเราต้องทำให้เธอพูดให้ได้ใช่แล้วทั้นไงเธอกำลังมาซ่อนเร็วเราไม่เห็นต้องซ่อนเลยนางไม่เห็นเราลอก อออฉันรู้นะมันเป็นโมนกนะเข้าใจไหมเจ้าหญิงส ล, ลีนาเดินผ่านพวกเขาไปพร้อมกับสาวใช้ของเธอวิสลุ่มหลงอย่างมากใช่แล้วใ น, นงนงามมากตั้งใจหน่อยสินี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานนะงั้นเหรอแล้วส่วนอื่นล่ะแล็กกี้ขยิบตาและดีดนิ้วึ้นทั้งสองหายตัวไปอีกครั้งทันใดนั้น พวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นด้านนอกของบ้านเล็กๆที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งกําลังรดน้ําในสวนดอกไม้ของเขาเขาชื่อแฮปปี้แต่ด้ายเสียดาที่เขาไม่แฮปปี้เลยนะโอ้งั้นเหรอเราจะต้องทําให้เจ้าหญิงพูดจับเขานะแล้วทําให้พวกเขาได้แต่งงานกันนี่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายเหรอใช่แล้วแต่ว่าทําไมล่ะทําไมเจ้านายต้องการให้เป็นแบบนี้ฉันหมายถึงมันไม่มีเหตุผลอะไรเลย เธอว่าลิขิตยังไงล่ะเหมายถึงโชคชะตางั้นเหรอไม่ฉันหมายถึงลิขิตของเทวดาเทวดาแห่งพรมลิขิตเคยได้ยินบ้างไหมนี่โอ้แล้วนางทําอะไรล่ะก็วันหนึ่งหลังจากที่นางเขียนโชคชะตาของแฮปปี้เสร็จนางแอบไปยีบหลับอะโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อยของนางอะแอบขึ้นไปกินหน้าของหนังสือนั่นแล้วโชคชะตาของแฮปปี้ก็หายไปตลอดกาลแต่ แต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเซลิน่าล่ะก็อีกด้านนึงของหน้านั้นในโชคชะตาของเซงนีน่านอยู่นะสิโอ oh. ใช่แล้วล่ะมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาไม่มีความสุขเลยชะตากรรมเป็นสิ่งที่ทำโดยไม่มีเงื่อนไขก็อย่างที่แหนรู้อะทุกๆสิ่งบนจักวรวาลแห่งนี้ถูกเลเขีดจากหนังสือเพียงหน้าเดียวดังนั้นดังนั้นตอนนี้หน้าของพวกเขาได้หายไป เจ้านายจึงเข้ามาจัดการเขาต้องการให้ชีวิตของพวกเขามีทิศทางดำเนินต่อเพื่อจะได้ปิดผนึกชะตากรรมของพวกเขาบิงโกแล้วแผนเป็นยังไงพรุ่งนี้ตอนบ่ายเมื่อแฮ p ี y ไปขายดอกไม้ที่ตลาดนายจะต้องเข้าไปในหัวของเขาแล้วนำทางเขาไปยังพระราชวังของกษัตริย์ถ้าทหารพยายามหยุดนายนายรู้ว่าจะต้องทำยังไงนี่นาย กล้าหยุดฉันไม่ให้เข้าพระราชวังงั้นเหรอฉันมีดอกไม้ที่เติบโตโดยแม่น้ำแห่งหานามาด้วยนะดอกไม้นี้จะทำให้เจ้าหญิงกลับมาพูดอีกครั้งและเมื่อนายหลอกข้ า, าสำเร็จแล้วแต่จะต้องประกาศตัวในพระราชสำนักของกษัตริย์ที่ที่เขากำลังยุ่งอยู่กับรัฐมนตรีของเขายินดีที่ได้พบท่านฝ่าบาทกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมอนทนาะ ผมมาขอพบท่านด้วยพลังที่จะทําให้เจ้าหญิงกลับมาพูดอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากดอกไม้พวกนี้จริงเหรอนายทําได้จริงเหรอใช่ครับฝาบาทอย่าให้ความหวังที่ปิดกับฉันนะเจ้าคนแปลกหน้าตั้งแต่แม่ของนางจากไปลูกสาวฉันก็ไม่พูดอีกเลยเห็นได้ชัดว่าเป็นอาการตกใจอย่างมากจนทําให้เธอไม่พูด หมอและลือสีทั้งหลายบนโลกตางก็ไม่มีวิธีทําให้เธอพูดเลยแล้วดอกไม้เของนายจะทำํำในสิ่งที่หลายคนในอนาณาจักรทําไม่ได้งั้นเหรอได้โปรดให้โอกาสผมสักครั้งนะครับแล้วผมจะไม่ทําให้ผิดหวังแล้วถ้าเกิดทําไม่สําเร็จละ่ละเลกเกมก็จะเริ่มต่อจากนี้อ๋อมือนายนี่แข็งฉมัดเลยทุกอย่างเป็นไปตามแผนของลากีและวิสในที่สุดแฮปปี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในวังฟ้าบาท จะลงโทษอะไรกับผมก็ได้ตามที่ต้องการถ้าหากว่าผมทําไม่สําเร็จแต่ถ้าผมทําสําเร็จผมจะแต่งงานกับเจ้าหญิงถ้าหากนางต้องการให้ผมเป็นสามีของนางกษัตริย์คิดครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าทหารพาแฮปปี้มาที่ห้องของเจ้าหญิงเธอแน่นอยู่ริมหน้าต่างพร้อมกับหมาของเธอบนตักขอบคุณครับท่านถ้าไม่รังเกียจออกไปรอข้างนอกได้ไหมครับ ผ่านพายุง่าและออกจากห้องไปเจ้าหญิงเซลีน่ามองมาที่แฮปปี้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาทันใดนั้นมางค้งเข้าห่าขึ้นแฮปปี้เดินไปหาเจ้าหญิงและโค้งคำนับถ้าไม่รังเกียจขอผมอุ้มได้ไหมเจ้าหญิงยืนมาให้กับเขาโ อ, โ, อโอ้น่ารักจัง<อ>ฉันมาจากฟ้าจาเพื่อพบแก่เลยนะโ อ, โอ้เจ้าหมาวิเศษ และนี้ทําให้เจ้าหญิงสับสนมากชื่อแฮปปี้นะและนักบอนแห่งเนมเกสบอกกับฉันว่าแกจะทํานายโชคชะตาของฉันได้ได้โปรดบอกฉันด้วยนะโอ้เจ้าหมาวิเศษบอกฉันทีว่าฉันจะมีความสุขไหมฉันจะได้แต่งงานกับใครแล้วฉันจะมีลูกอีกคนได้โปรดบอกฉันด้วยตอนนี้ริมฝีปากของซลีน่าเริ่มขยับและเธอก็พูดโพล่งออกมาอย่างรําคาญพอได้แล้วเขาพูดไม่ได้นะ เขาเป็นหมานะแต่ว่าคุณพูดได้ตอนนี้ดวงตาของเจ้าหญิงมีน้ำตาไหลออกมาเธอรู้ตัวว่าในที่สุดเธอก็พูดออกมาได้หลังจากผ่านมาหลายปีในที่สุดเจ้าหญิงก็พูดออกมาแล้วเย้ข่าวการพูดของเจ้าหญิงมาถึงราชาในมิชาเขาดีใจมากลูกของฉันพูดแล้วงั้นเหรอฉันอยากไปพบเธอเดี๋ยวนี้เมื่อพระราชามาถึงห้องของเจ้าหญิง เขาพบว่าแฮปปี้และเจ้าหญิงกําลังพูดคุยและหัวเราะ อ, อย่างสนุกสนานาาจริงเหรอแล้วเป็นยังใครต่อละนี่ทําให้กษัต ร, ริย์โกรธมากเมื่อเขาจําข้อเสนอของแฮปปี้ได้กษัตริย์จะไม่ยอมให้ใครที่มีสถานะเหมือนแฮปปี้มาเป็นสามีของลูกสาวเขาเด็ดขาดเข <Network ing> าคิดแผนการขึ้นและออกจากที่นั่นไป <Network ing> ต่อมาในวันนั้นเมื่อแฮปปี้กลับมาที่พระราชสํานักเพื่อพูดกับกษัตริย์เขาถูกจับกลุมด้วยทหารอะไรกัน นี่มันเรื่องอะไรกันฉันรู้ว่านายเป็นคนทำให้ลูกสาวของฉันพูดแต่ไม่มีทางที่ฉันจะให้นายแต่งงานกับเธอหรอกนะไม่มีทางแต่ว่าท่านให้สัญญาแกบผมแล้วคำพูดของกษัตริย์ไม่มีค่าอะไรเลยงั้นเหรอเจ้ากล้าพูดกับกษัตริย์แบบนั้นเหรอทหารนำตัวสามัญชนที่ไร้มารยาทนี้ไปขังซะอะไรนะไม่ และทันใดนั้นลักกี้ได้ปรากฏตัวขึ้นในอากาศคิดถึงฉั่ไม่เอ่ยเอาล่ะตอนนี้เป็นเวลาของเธอแล้วที่จะมาแทนที่ฉันลักกี้ขยิบตาและทันใดนั้นพวกเขาทั้งสองก็สลับที่กันวิสออกมาและพูดว่าฉันทําดีที่สุดแล้วนะเออขอบคุณนะดูผมตอนนี้สิทหารแปลกใจเป็นอย่างมากนี่นายนายคุยกับใครกัน ทันใดนั้นเจ้าหญิงเซรีนาไดวิ่งออกมาจากอีกฝั่งท่านพ่อนี่นี่นี่มันอะไรกันเกิด อ, อะไรขึ้นทำไมถะจับตัวแฮปปี้ท่านพ่อสิ่งนี้ทำให้น้ำตาของกษัตริย์ไหลออกมาพ่อรอมานานหลายปีเพื่อจะให้ลูกเรียกพ่อว่าพ่ออีกครั้งมา น, นี่ลูกรักมาให้พ่อกอดหน่อยเจ้าหญิงเซรีนาเดินเข้าไปหาพ่อและกอดเขา แต่ท่านพ่อทำไมแฮปปี้กษัตริย์บอกทุกอย่างเกี่ยวกับข้อเสนอของแฮปปี้ให้เซลีน่าฟังพ่อรู้พ่อสัญญาไปแล้วแต่เขาเป็นสามัญชนแล้วแต่ท่านพ่อหนูชอบเขาหนูไม่รู้เรื่องการแต่งงานแต่หนูอยากรู้จักเขามากขึ้นนี่ทำให้แฮปปี้ยิ้มออกมาลูกรูกว่าอย่างไงนะปล่อยเขาเถอะนะคะท่านพ่อถ้าพ่อไม่รักษาคาพูดพวกเขานะ่ะจะไม่นับถือพ่อนะคะ ราชาพยักหนา้าลูกพูดถูกแต่ลูกชอบเขาจริงๆเหรอใช่ค่ะซลีนาหันไปหาแฮปปี้แล้วพูดขึ้นฉันชอบนายแฮปปี้เรามาเริ่มทำความรู้จักกันให้ดีกว่านี้ไหมแฮปปี้พยักหน้าและซลรีนาก็ยิ้มออกมาถ้างั้นทหารปล่อยตัวเขาและนายแฮปปี้ฉันไม่รู้ว่านายทําอะไรแต่ว่าฉัน รักลูกสาวของฉันมากขยันให้มากเพื่อที่เธอจะได้มีชีวิตที่ดีเข้าใจไหมรับทราบฟาบาดและดังนั้นแฮปปี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตต่อไปและเซลีน่าเองก็มีเหตุผลเช่นกันเมื่อแฮปปี้กลับมายัางบ้านเขามีความสุขมากและงีบปลับไปตอนนั้นเองลักกี้ก็ออกมาเราจดต้อง วางแผนให้เขาเพื่อที่เขาจะได้จําเธอกับฉันไม่ได้แต่คิดดีดีเขาก็ทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเฮ้ยนายพูดถูกนะพวกเขาชี้นิ้วไปที่แฮปปี้และประกายเวทมนต์ได้ออกมามันแตะไปที่หน้าผากของเขาหมดหน้าที่ของเราแล้วแหละกลับไปบอกหัวหน้ากันเถอะภารกิจเสร็จแล้วใช่ไปกันเถอะเราเป็นทีมเวิร์กสุดเลยนะพวกเราพิสูจน์แล้วว่าปั ญ, ญญาและความโชคดีต้องควบคู่ไปด้วยกันนะ วิสยิ้มออกมาและดีดนิ้วของเขาทั้งสองได้หายตัวไปหัวดีหัวหน้าพริกนท์เสร็จสิ้นแล้วล่ะคะ่ะชายชาราลืมตาและพูดขึ้นดีดีมากพวกเธอทั้งสองทำได้ดีมากขอบคุณครับหัวหน้าผมคิดว่าพวกเราควปรปรับปรุงเรื่องพรอมลิขิตหน่อยนะได้สิจัดการเลย พูดจบชายชาราก็หลับตาลงพวกเขามาถึงบ้านของพรมลิกิตเออว่าไงอะไรหอบมาที่นี่ละ่ะทั้งสองอธิบายทุกอย่างให้พรมลิกิตฟังเธอประหลาดใจมากที่ได้รู้ว่าปัญหาทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยนะฉันสับเพราเองละ่ะและทำให้เรื่องเป็นแบบนี้อ้ออย่าทอตัวเองไปเลยพรอมลิกิมันดีขึ้นแล้วล่ะตอนนี้แต่ว่าเฮ้แล้วแฮมสเตอร์ตัวนี้ของเธอละ่ะ เขาคงอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วมั้งเออเขาอยู่นี่เองมันนี้เร็วจเจดหนุ่มน้อยน่ารักจังดังนั้นโชกชะตาของแฮปปี้และเซลีนาได้ถูกผนึกแล้วเราไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะได้แต่งงานและมีความสุขไหมแต่เรารู้แค่ว่าจักรวาลนี้มีแผนให้พวกเขาแล้ว